เมื่อพูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการปฏิสบัตินี่มันรวมเป็นธรรมปฏิบัติธรรมมันรวมมันรวมพระวินัยมันรวมธรรมะเข้าใจการเป็นพ่อปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกบรรลุสึ่งธรรมะไม่ได้ยินท่านว่าบรรลุสึ่งพระวินัยบรรลุสึ่งธรรมะที่มารวมกันแล้วเราจึงเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ถึงในท่านตอนที่ว่าทําเราไดเป็นไปเพื่อความกาหนัดย่อมใจอย่างนี้เป็นตัคํานั้นคืออะไร เ, เราจะมีรู้สึกทางจมูกพอดีรู้สึกทางตากอดีรู้สึกทางหูพอดีรู้สึกทางร่างกายพอดีรู้สึกทางใจคําที่ว่าทําเราใดนั้นไม้อสภาวะในประสัมัถสถูกต้องในอายตนะของเรา เช่นว่ามีรูปสวยๆเรามองดูเลยมันกำหนัแ่แล้วมันย่อมใจมันมีความสั้งหนักมันก็ย่อมใจอย่างตัวชายบริขารสวยๆางามๆงนี่เป็นต้นมันให้เกิดความตั้หนักมันย่อมใจมันย่อมใจของเราขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นเหตุให้เราดื่มตัวของเร า, เากระหน่ีวรตดีตทั้งที่ไม่ิจารณาทั้งคาติตรีบริขารทั้งพวงเนี้ ขีวอนวินทบาทเสนาสนะเัตว์นี้นะเมื่อรวมประมาณนี้มันปฏิบัติถึงทันทีให้ทิ่เจรนาปัจจัยทั้งสี่ปัจใจทั้งสีนี้เมื่อหยิบขีวอนเป็นมาท่านก็ต้อยที่เจรนาเมื่อฉันอาหารวินทบาทก็ทันพิจารณาเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยท่านปล่อยที่เจรนา ยาบําบัดโรคท่านไวทพิจารนามีรวงได้มันเป็นปัจจัยสิทําไมท่านเป็นไวทีเจรณานะ่ะอะไรมันจป็เหตุให้มีความกําหนัดมีความย่อมใจขึ้นจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นนามธรรมก็าตามย่อมใจให้เราโรคย่อมใจให้เรากําหนัดย่อมใจให้เราโกรธย่อมใจให้เราชัรพายอใใาย่างไม่ปกติสจะแล้ ทุกอารมณ์มันเป็นอ น, นั้นเว่าการย่อมใจเป็นธรรม ท, ทั้งหมดจะเป็นวัตถุ ก, ก็เป็นธรรมจะเป็นเป็นนามว่าธรรมมันก็เป็นธรรมขอเ่ว่าอะไรนั่นมันมาทําความตังหัาย่อมใจเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ต้องระวังต้องระวังทำอะไรเป็นไปต่อความประกอบทุก ป, ประกอบไว้ถึงทุกคือไม่ปลอยทุก อะไรที่มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่แล้วเราก็ไม่ปล่อยทุกข์ล้วก็สะสมมันขึ้นจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ตามนี่มันสั่งสมไม้ถึงทุกข์ทำอะไรเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไปสูงเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษกินดีในของที่มีอยู่นี่อืม เป็นไปเพื่อความเลี่ยงอนยาเป็นไปเพื่อความเกลียดทานเป็นไปเพื่อความทุกขทีโมคะน้ทั้งหลายเหล่านี้ย่านศาัด เ, เป็นส่วนหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่สัจถุคำสอนของภาษาสดาของเราตรงกันข้ามนั้นทน่านอนั่นเป็นธรรมะคาสอนสัจตุคาสอนของพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้ ธรรมะทั้งหลายเหล่าเนี่ยถ้าเราสังวรทั้งทวกมันจะเกิดอยู่ทุกอิทธิทางมันจะเป็นธรรมะเป็นครุขธรรมปันญะนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะจะรู้อย่างละเอียดอย่างนี้มันมั น, ม, นมันก็รู้จักธรรมะมันมันมากสุดๆไม่จนธรรมะและพิจนารณาฉะนั้นข้อวัดปฏิบัตินี่เพื่อให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน มันก็เป็นคล้ายๆพื้นฐานยางเราเจ็บปูปอาการซากหลังนี่มันมีข้างบนสองชั้นสามชั้นแก้มันก็อยู่ข้างบนมันแต่พื้นฐานมันก็คือตัววางรากฐานมันนี้เองมันจะทรงตัวมันอยู่ได้มันก็เพราะรากฐานตรงมั้นมันคงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันลบรวมแรงเนื้อเกินที่ธรรมะมันจะอยู่ ฉะนั้นเราจึงพยายามถอนอะไรออกที่มันลบกลุมลังถอนอกอย่างความกำหนัดย้อมใจอย่างความเปรียดข้านอย่างความใหญ่ไฟสูงอเป็นต้นใครมีบัญญามากเท่าไรมันก็ยิ่งกว้างต่อไปมันก็ยิ่งละเอียดต่อไปการปฏิบัติธรรมท่านมารวมเข้ากันจะมาเป็นพระธรรมนิยาย น, นเป็นพระธรรมนิยายน รวมวัชชฌองอย่างเป็นพระธรรมวินเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสันติธรรมบรรลุถึงสันติธรรมคือความสงบระงับดังนั้นข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบททัติมีมันถึงมากแต่ว่ามันไม่มีความอะไรยุ่งยากถ้าเรามีสติเต็มเปี่ยมแล้วสติที่จะเต็มเปี่ยมนี้เราเรียกว่าเราต้องพยายามจะต้องฝึกเรื่อย อืเช่นผมเคยพูดในครังว่าเราอืจะลงมาทําวัดดองโบตเข้ามานี่เราต้องกราบมาองค์เดียวก็บฉันมาถึงมาทำอะไรกราบละเมื่อเสร็จแล้วกับกติ ก, กากรับละมเมื่อเราออกไปถึงกติกเราจะขึ้นไปบนกติกาแล้วก็นั่งกราบละชุดที่ก่อนอืมชุดกันหมดว่า บางคนก็ลำาังใจลุกขึ้นต่อกราบนั่งต่อกราบอะไรต่อกราบสรารพอย่างอย่างทําให้ทําฝุก ส, สติของเรามันมีสติจน ม, มันชํานาญในมันชํานาญในมันชํานาญในสิ่งช่างลายนะนี่สตินี้มันคือความรด้รุดได้อยู่เสมอมีส ต, นนติก็มีสมปชัญญาแต่เรื่องการคิตของเราเองทําให้มันชํานาญบางคนก็คิดว่ามันป่ามันเขื่อน ถือมัน่นถือรั้นถือขังอะไรไปอย่างนี้ก็มีคิดอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันทางเศร้าเพรมันเพรจ้องไปอย่างนี้ตั้งแต่น้อยไปหามันโตไปหน่อยแค่ตรงตรงนี้เรื่องปริในเรื่องพระธรรมมันก็มีความสงสัย ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งใ ส, งส่ชงใส่ก็ช่างมันเถอะสองสัยก็ทําไปพยายามทําไปคือว่าเราทําที่ไหนมันก็มีความฉลาดอยู่ที่นั่นทำโดยการพิจิตทําดยการพิจารณาเราทําตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาอยู่ตรงนี้ใ้ความฉลาดมันก็เกิดเกิดขึ้นมารเรื่อยๆไปคือเหมือนกันที่เราไฟังธรรมะ ได้เรียนมากได้ฟังมากเป็นประพภูตจักรได้ฟัง ม, มันในคนเพรว่าในใจของมันมนิ่งดียวเรากําลังศึกษามันเป็นเสียขาจิตมันจะต้องศึกษาอยู่ก่อ น, อนก่อนที่จะมันจะรู้แล้วมันก็เป็นเสียข่ายจิตที่รู้เรื่องของมันแล้วไม่ต้องศึกษาแล้ว อย่างนีองนนอนะน้ออย่างนั้นเลยอย่าไปถือว่านะเราได้เรียนมากมากเราเรารู้มากๆากแล้วอย่าไปถืออย่างนั้นถือว่าใครเป็นคนหลงอันนี้ยถือว่าใครมันเป็นคนหลงกันคนที่เรียนมากๆหรือหรือคนที่ไม่เรียนเลยิอย่างนี้ให้เราคิดในมันดีๆให้คนที่หลงมันเรียนมากๆมันประหลงกันได้ ไม่เรียนมันหดุลก็ได้นีอย่างคนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆจนแก่เช่ไหมเราเก่งตรงนี้นะเก่งค่อยเพราะเราเกิดมานานอย่างนี้ตรงนี้นะไปที่ไหนจท่งนั้นเนี่ยจะทมในเรื่องใดตรงไหนมันอยู่คงที่ของมันทัานเนียวจักความเป็นจริงจัดความจริง คือไม่เคลื่อนจากที่มั้งแต่เราจึนนงน้อมใจเราเข้าไปถึงสัจจะธรรมจนกว่าสัจะธรรมมันจะตั้งอยู่ในจิตของเรามไม่เคลื่อนที่ ม, ม, มันไม่ตามกระแสใ จ, จของคนมันไม่ตามความรู้สึกนึกคิดของคนความรู้สึกนึกคิดก็เป็นความรู้สึกนึกคิดอันนี้ยสัจจะธรรมนั่นก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นตระธตงทำ ม, มันก็เป็นตระแตงทำถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดแย่แบบน่ออกไปเป็นชนแต่เราเข้าใจว่ามันถูกอันนั้นมันก็งไ่เป็นตระแตงมำได้ความว่าที่เรามาปฏิบัติกันนี้นะที่เรามาปฏิบัติกันตัวคนเนี่ยเรายังไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะนั้นการฟังการเรียนตั้งใจในกพิจารณา อันนี้การโพูดมันผิดอย่างนี้ระบบฟังมันผิดอันนี้การโพูดไปมันถูกอันนี้สักฟังบานี้กันกันว่าถูกอย่าพึ่งไปย้ำมันมันถูกมันผิดในการฟังเราเลยคนฟังกว่าจา ก, กว่าแต่เราฟังไปมันไม่จบตรงนี้มันไปนจบที่การรู้ขึ้นมาเองมนันมินิสัยเกิดความรู้ขึ้นมาเองในจิตที่มันของใสเมื่อไรมันจึงจะรู้จัก น, นี้ อย่างนั้นทุกคนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็รับฟังเมื่ออันนั้นมันถูกอันนี้มันผิดอะพระพุทธเจ้าต่างกันยังไม่ได้สอนอย่งั้นหรอให้ฟังเราฟังจริงเราฟังเราฟังสิ่งที่มันผิดนั้นมันเป็นผิดอะไรแล้วฟังสิ่งที่มันถูกนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรเป็นคนฟังเอาความรู้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาในจิตของเรามีแต่นั่นทันจริงตัดมันแค่ว่าอันนี้มันเกาะอย่าไปหมายมั่นมัน อะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็ได้กว่าเอันนี้เราคิดเรามันไม่ถูกอันนี้เราคิดเรามันผิดอันนี้เราคิดว่ามันดีแล้วเราก็ไปยึดดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่มันผิดแต่ไปยึดสิ่งที่มันถูกนะอะไรทุกอย่างถ้าเรากไปยึดมันโดยไม่มีปัญญาน่ยมันผิดหมดอ่ะอันนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ไปยึดมันถือมันมันโดยที่ไม่มีปัญญาไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้มันก็ผิดมันผิด ถึงแม่มันถูกจูไอความถูกนั่นมันก็ไม่ผิดมันผิดที่กาไอการที่เราก็ไปยึดอไปยึดความถูกไปยึดความผิดที่มาเราเป็นผู้ปฏิบัติเองเอ้ยของคนอื่นมันผิ ด, ข อ, ผดของเรามันถูกอย่างนี้เป็นต้นเห็นของเราถูกเห็นคนอื่นผิดถ้ามันเป็นก็ให้เป็นอาการอย่าไปความแน่นอนกับมันอย่าไปยืนยันก่อมันมากจะได้ความยืนยันมากก็คือเรียกว่าบัญญังิไม่แน่นอนนั่นเองเนี่ย เราปล่อยมีอะไรสงสัยในสิ่งทั้งๆเห ล, าล่านะั้นมันรู้อยู่ในนั้นอันนี้คือการปฏิบัติอย่างนันการปฏิบัตินี่มายถึงต้องต้องต้องพยายามไปค่อยทำไปคอยคิดไปคอยคิดเจรนาเอารุญแงรงลงก็ไม่นาอเมื่อไปถึงที่ไหนก็ตามเถอะถ้าเราไปดูสถานที่ต่างๆในวัดเราก็ตามนอกวัดเราก็ตามอะไรก็ตาม หนังสืออะไรที่เขียนขึ้นมานั่นก็ตามเลยโดยมากจะอ้างว่าอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นในคําสอนของท่านแล้วก็ยังไม่รู้อันนี้ออืย่างนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่ามันถูกอย่าไปเชื่อวว้ในสิ่งที่เขาว่ามันผิด อตรงนั้นคนไปมากมันถูกตรงนั้นหรือมีคนไปหรือตรงนั้นเอจิวัตไม่ถูกอะไรต่างๆเนี่ยอืมคือความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นอย่างนั้น่ะอืท่านว่ายาประยึด์เอาข้างเดียวเต็มกลางบรรทุกการนาการโยโกกอดีอัจจะจีรมาชัยโยโกกอดีถ้ามันเกิดขึ้นมานั้นท่านมาแหย่ยึดมันเกิดอะไรรู้มันถ้าประยุทธ์ความสุข น, นมันก็ผิด เป็นกรารไปนี้่ถ้าไปยึดทุกมันก็ผิดแหละไอ้ความจริงเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์นี่เป็นเรื่องจาะให้เราพิจรารณาปล่อยวางอย่าไปหมายมัน่นมันอันนี้มันผิดผิดเรื่องเแล้วไปอันนี้มันถูกผูก้เรื่องเแล้วไปอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันให้เรารู้แต่เบื้องแรกอืเบื้องแรกจริงๆเิง่ะคนเรามาต่อกกต่องยึดอืมถ้าจะให้ปล่อยเลย ให้วางเสี้ยมันก็วางไม่ได้ทำอะไรไอ้ความยึดเราไม่มีอย่างเรามีวัตถุในมือของเราอย่างนี้ใช่ไหามาันทิ้งเสียยไอ้คนที่นั่นก็รู้สึกว่ามันก็ทิ้งก็ได้เพราะมันมีของที่จะทิ้งในมือของเราถ้าเราไม่มีอะไรจะทิ้งถ้าเรทิ้งเสียยก็ไม่มีอะไรที่จะทิ้งอะไรในมือเราอย่านี้ที่ของมันไม่มีดั่งนั้นผมไปเล่าให้ฟังนะตอน อ่าวันนั้นคงเคยเล่าอ่ะมันชัดดีนักปฏิบททัติสองคนเถียงกันว่านั่งประชุมกันอยู่อย่างเงี้ยเอ๊ะมีลมอย่างหนึ่งก็มีธงอย่างหนึ่งธ ง, งก็ไว้ตัวไปมาอยู่เรื่อยต่างคนต่างดูอยู่ไอ้คนหนึ่งก็คิดว่าไอ้ธงเนี่ยมันไว้ตัวเพราะอะไรไอ้คนหนึ่งก็ตอบว่าเพราะลมคนที่สอนวันนั้ไม่ใช่เพราะเป็นพระธงมันเอง เนี่ยเอาดูมันอารงตรงไห น, นละ่ะเออถ้าลมไม่มีธงก็ไม่ไว้ตัวไม่แข่งมันจึงเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนหนึ่งที่คงมันเจองธงมันจ ะ, นจะแว่แงไปแข่งมามเป็นเพราะลมไม่ใช่คนดีสอนว่าไม่เป็นเพราะมีธงคนนึงว่ามันเป็นเพราะมีลมมาพัดมาคนหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเพราะธงนี่ก็เถียงไปยังนั้นมีเหตุผลอย่างไม่เลยไป ถ้าไม่มีธงมันก็ไม่แปรถ้ามีธงไม่มีลมมันก็ไม่ก่อแ ป, ปรปฏิเป็นอยู่ตรงนี้ยเนี่ยถ้าเรามองเห็นง่ายๆมันจะเป็นกระทงโารุกเท่านั้นเองทีแปรเมื่อมันแปรแล้วก็เกิดปัญหาเกินมาเนี่ยคนหนึ่งว่าเป็นเพราะธงคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีลมคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีธงผู้ชาราท่านตายท่านทั้งสองนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นะ ถ้าท่านไปนติดอยู่ในแง่นี้ท่านก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีทางพ้นถ้าว่าท่านรู้สึกว่าทมก็ไม่มีร่มก็ไม่มีแรื่องกบเดื้อปัญหาก็จางไปปัญหากบฏไปแต่เพราว่าทงนึงก็สมมุติขึ้นมาให้มันมีเป็นทงรมนั่นก็สมมติขึ้นมาให้มันเป็นทงนั่นเป็นเรื่องสมมตุติมันก็ติดสมมุติกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะไป เมื่อจากการปล่อยวางมันทงมันก็ไม่มี่มมันก็ไม่มีมันเดือดสมมูรณ์ทั้งนั้นมันก็หมดปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็น่าเอาไปมีใจน่าไปพิจารณาแต่เราพูกศึกษาอยู่นี่สมมอิกานกำลังมาปฏิบัตินี่ปฏิบัติให้มันถูกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่ามันถูกมันผิดคิดแล้วก็ไม่รู้จักถูกก็ไม่รู้จัก ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกตามความเป็นจริงที่สัตว์จะทำเรื่งนั้นพระพุทธเจา้าฉันย์เนี่ยอย่าไปยึดมันถูกก็เป็นฐานสมมติของเขาผิดก็เป็นฐานสมมติเท่านั้นอย่าไปหมายมั่นมันเราว่าตรงนี้มันถูกเขาว่าผิดเต่มเป็นโซนพดกันคำสองํเ า, าเราก็เลิกเรื่องนี้นก็หมดเขาว่าอนั้นไม่ถูกเราว่าถูกพูดกันคำสองาเแล่วไม่ต่อมันก็หมด เนี่ยเรื่องมันจบลงอย่างนั้นถ้าคนหนึ่งว่าไปยันว่ามันถูกคนหนึ่งว่าไปยันม่ามันผิดไม่ลงกันก็ทะเลาะกันเองยิ่งผิดใหญ่เลยจริงทุกทงเรื่องผิดมันเป็นอย่างนั้นเรืองธรรมะจริงๆปฏิบัติไปจนถึงว่ามันไม่มีมีปฏิบัติจนถึงว่ามันถึงความปล่อยวางอถ้าว่าผู้ปฏิบัติมันก็แสดงกายแสดงวาจาของมันในปีมันนั่นแหละ อเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นเป็นของสืบเหมือนกันอย่า ง, อ, างอ่าหน้าตาอวัยวะกิริยาท่าทางของคนโปรดคนทุกข์มันเป็นอย่างไรมันก็พอมองเห็นได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติได้จึงมีความเยี่ยมแยีมแจ่มใสอืจึงมีความทราบซึ้งเพราะอะไรเพราะท่านยึดในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จิตใจก็เป็นปกติหน้าตามันก็เป็นปกติไม่แสดงอะไรออกจากปกติทั้งนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนี้ยังไงผมเคยพูดว่าการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายนั้นนะชั่วไมยนี้มันก็ยิ่งมีมากหลายอย่างหลายประการยิ่งทำให้พวกเราทั้งหลายวุ่นวายกันมากเช่นมาวัดน้องประโคนเรามีปฏิบัติอย่างนี้นบางคนก็ไม่ชอบ อบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนั่นเป็นอย่างนี้มันก็บางคนต่างมาเป็นพอสมนลยบางคนเนี่ยไม่เป็นพอที่นีหรอกอย่างนี้ดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจริงเป็นเครื่องวิจิตรใช้โดยตนเองทำเหล่านี้ต่างเดียวไม่เป็นปัดจับตั้งครู้เฉพาะตัวของเรารู้เฉพาะตัวของเรา เฉพาะความเป็นจริงของเรามันเกิดขึ้นอย่างไรมันรู้เฉพาะเจ้าของไอ้ที่มันยั่วยวนก็คืออารมณ์อารมณ์นั้นนม่ยั่วยวนแต่มันยัวๆๆนนนย่วยวนก็อย่อยว้อนเยอะยั่วยวนในความฉลาดเราเกิดมันปลุกของเราให้เราศึกษาอารมณ์ให้ปรึกษาอารมณ์เพื่อรึกษาโลกไอ้ทำที่ปฏิบัติเนี้พระพุทธเจ้าว่าให้ยึดสุขเบื้องแรกของมันเลยยึดสุขยึดด้วยไปจนสุข ยึดไปเดอดสุดแต่ยึดด้วยปัญญาของมันยึดด้วยปัญญายึดไปดื้อยุ่ยแต่ว่ามันก็จะมีทุกข์เกิดขึ้นมาือมันหนักแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมวางเนี่ยเพราะอะไรเราพอใจของนี้มันดีของนี้มันถูกอย่างนี้ยึดด้วยไปถ้าเขาว่าอันนี้ไม่ดีเ้าก็ไปทุกข์อันนี้ไม่ถูกเราก็ไปทุกข์ มันก็ตั้งมาหน้าเดืจะมาตรงนั้นอีกแหละดังนั้นอารมณ์ที่มันกระทบอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราพิจารณาซ้ำกับไปนั้นมันเป็นบุญคุณที่สุดที่จะปลุกตัวเขาตื่นจะมาให้ดูอะไรต่างๆให้มันทราบขึ้นต่อไปให้มันดูเรื่องมันอืมที่เราไม่สบายก็เพราะว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้คา ท, ที่ว่าไม่อยากนะั่นคืออยากไอ้ที่ว่าไม่อยากไม่อยากให้นเป็นอย่างนี้ เราไม่ชอบนี่คืออยากแหละมไม่อยากนะมันกลับเป็นอยากเป็นกิเลสมันเป็นตัณหาอย่างล้วเบื่อมันไม่อยากรู้มันไม่อยากเห็นมันนี่จะนึกว่าเราเบื่อเดนะือนมันเป็นเพิ่มความกําหนัดขึ้นเพิ่มความหลงขึ้นเท่าตัวมันอันนี้คำที่ว่าความอยากหรือความไม่อยากสองอย่างนี้มันเป็นภาษาทําให้คนรู้สึกกันนะนะั่นเอง ถ้าพูดถึงธรรมะของพระองค์ท่านตราสเร็วจริงๆนั่นนะ่ะมันว่เท่าๆกันไอความอยากนี่มันก็เป็นโทษที่ว่าความไม่อยากนี่มันก็เป็นโทษทีว่าไอ้ไม่อยากหรืออยากนี่เป็นส่วนมันอยากอยู่ตรงโง่ไม่อยากก็ไม่อยากอยู่ตรงโง่คือมันผิดเนี่ยเสียนทุกข์เราจะไปวางของทั้งหลายแล้วนี่สิ่ปฏิบัติไปนี่นะ่ะมันถึงงองไม่ออกมันไปยึด ถือมั่นถือรั้นอยู่ไม่หยุดนังไมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้สิ่งที่มันถูกหรือสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันสุขมันทุกข์มันไม่ใช่สิ่งที่มันสงบอย่างเราเห็นไอ้แม่มันสุขใจมันสบายมันเดางนี่เปลี่ยนตรไอ้ที่มันสุขหรือมันทุกข์มันไม่ใช่ทางที่สงบแต่ไม่ใช่ที่สงบมันมีสุขปนอยู่นั่นมันมีทุกข์ปนอยู่นั่นแต่ว่ามันถูกอะไมันถูกเด็กๆที่ปฏิบัติใหม่ๆมันสุข คือมันเอาอเอาใจมันมีศรัทธาเกิดขึ้นปฏิบัติมันมีความอยากที่จะต่อไปมันมีกำลังมันมีกำลังไม่สุกเฉยเฉยไม่ทุกข์เฉยเฉยมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปด้ยวยอย่างนี้ไอ้สุขที่รพททะระพุทธเจ้าสอนแตะทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นท่านพูดเป็นอาการของมันตอนั้นลักษณ ะ, ะ น, นั่นมันเป็นอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างเฉย ชาติเทวอารมณ์มันรูปขึ้นทันทีเดียวฉะนั้นมันก็หายไปก็ไม่มีอะไรตัวสุกนั่นมันก็ไมมีตัวทุกข์นั่นมันก็ไม่มีถ้าเราไปยึดมันถือมันมันก็มีเป็นมาเที่วตรงนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นโ้นพอเสียงมันตั้งยางที่รอยที่วางอะไรลงพื้นเนี่ยมันเสียงมันเป๊ะยงไม่เกิดอะไรเกิดมาเมื่อเสียงเป๊ะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมีได้เสียงเฉย ก็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมา ย, ยัางี้เป็นอะไรต่อไปถ้าเาคิดว่าอืออหรือตุกแกมันโดนตรงนี้ต่อไปนะแล้วกลัวๆด้วนะเนีน่ยนงูมันตกตรงนี้มันโดนตรงนี้มันตกตัวด้วยนะเนี่ยนี่ที่หนนี่มันได้กระทบเฉยๆไอ้ที่สองมันต่อไปแล้วงูหรือหรือตุกแกหรืออะไรทั้งไหนต่อเลยเสียงตรวกันพอจะได้ยินพุบ เค น, นี้มันก็มีเสียงเท่า น, นั้นไม่มีอะไรต่อตายอนะต่ออีกปวดฟัวกระทบปุ๊บมันจะเกิดอีกต่อนหนึ่งนะนเสียงผู้หญิงเนี่ยหรือเสียงผู้ชายมันต่อไปนะเนี่ยไอความเป็นเสียงครั้งแรกมันไม่โฟมใครมันมีสัมผัสเฉยๆเท่ น, นั้นเนะี่ยพอเสียงพัดไปมาเท่านั้นเออผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันไม่ว่าหรอกมันมีเสียงเฉยๆพอจะว่าเสียงผู้หญิงไป็นต้นมั้ก็ มีความรู้สึกจะเป็นผู้หญิงมันเป็นปฏิบัติกันอยกับผู้ชายแล้วมาคิดต่อเรื่อยๆไปนะมันเป็นอายตนะอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในตัวของเราเข้าใจในจิตของเจ้าของนะมันก็ง่ายขึ้นในความเป็จริงมันคนครักตั้งคนกันตามมันไม่ติ ด, ดกันเมืันคนได้อยร์ดังนั้นการปฏิบัตินี่ถ้าเราให้มีสติเราก็มคาคยตั้งใจนะ ให้มีสัพพัญญาก็ไม่เข้าใจนะในความเป็นจริงตัวสตินี่ตัวสัพพัญญานี่ยมันให้ระลึกได้อนใจมันรูตัวสองอย่างนี้มันเป็นพื้นอยู่แล้วถ้ามีสิ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมสองอย่างสติสัพพัญญาสตินี่ก็แปลว่าระลึกได้สัพพัญญาก็แปลว่ากลัวตอนนี้ เมื่อเกิดสองอย่างนี <the> ้เ no. ป็นตนมันจะไปดึงเอาปัญญามาวิ่งก็มาดูนี่จะรู้ไหมกลัวไหมก็ไม่กลัวไหมอะไรไหมมันไปแจ้งเพราะปัญญากะมากระทบกันใม่อีกคือเรื่องของสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องมันมากเรื่องทีวรมีตาบานเสนาชนะเพศสัตว์ท่านจะให้ดูอย่างนี้เพื่อเห็นของทั้งหลายแล้วนี่ก็เห็นชัดต่อไปแล้วก็น้อมก็มาเป็นโอปนาหิการถามน้อมก็มาในตัวขันมีอะไรไหมดูดูสีละชินกันสิ เห็นของไม่ไปสวยเห็นของไม่งดงามเห็นของเห็นสาบเห็นขาวทุกอย่างอย่างนี้เราพยายามคิดไปอย่างนี้เราพยายามน้อมไปอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาจริงทั้งหลายเนีติดต่อกันนะของทั้งหลายแล้วนี้ก็หมดราคาอืไม่สวยไม่งามไม่กำหนัดไม่รักใครยิบขึ้นมาก็เรียกว่ามันรู้มันเห็นสัตว์แต่ว่าเท่านั้น สัญหามันก็ไม่เกิดผู้ประทานมันก็ไม่เกิดพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้ น, น, นจุดดวงคือท่านรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเราจะวางได้ล่อยได้มันวางได้ที่<ม>เราเมื่อ ร, รู้จักไม่รู้จักรบกรุมงูอยู่ที่นี้เราสังขารบางูนี่เป็นสัตว์อื่นเป็นสัตว์ที่เอาไปกินเป็นอาหารอก็ได้เล่าแตสัาคัญว่ามันมีพิษอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รวม พ่อไม่รู้จักมันพ่อไม่เห็นมันถ้าเรามารู้มาเห็นตามความเป็นจริงของมันใจเราจะเปิดตัวกันไปเด่๋ยวนะสกุลนั่งกายของเรานีของมันไปหรือความยึดมั่นถือมั่นอีกไปเหมือนกันถ้าเราไม่เห็นโทษมันแล้วพอยึดอยู่นั้นมันปล่อยมันไม่ได้มันวางไม่ะมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เรียกวาการพิจารณาซึ่งอาหารที่เราเป็นที่อาศัยมันนี่ต้องเพืคยรู้จักว่ามันเป็นอย่างนั้น มันไม่มากไปกว่านั้นที่นี่เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเช่นนั้นนะมันก็เป็นสัจธรรมเมื่อเป็นสัจธรรมมันก็ไม่แปรเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันแปรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสัจธรรมอย่างนี้เห็นไหมอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันแปรมันไม่เที่ยงมันก็เป็นสัจธรรมอย่างไรเรื่องที่มันแปรเปลี่ยนแปรนั่นเป็นต้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอีกมันก็เป็นสัจธรรมนะครับ มันคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่เพรว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายเราเนี้ยเราเราเพิ่งเสียจะละอาจิตย์นี่คือความเห็นของเราความเห็นของเราแือความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเรามาเห็นว่ามันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังราชาเมื่อไรเป็นต้นความยึดมั่นถือมันมันก็ยึดโข่าเสมอเรื่ๆถ้าเราเห็นว่าของอันนี้มันไม่มีราคามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องของสมมติมันก็วาง อารมณ์ที่มันมากระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีทางคิดก็ดีมันก็เหมือนคนภายนอกคนภายนอกมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นรูปประทําแต่เราไปพบเขามันแสดงไปกระทบเข้าจะมันเปลี่ยนเป็นนามธรรมติดอยู่ในใจของเราแต่เรารู้จักอารมณ์ภายในมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอก รู้จักคนภายนอกมันก็รู้จักอารมณ์ภายในที่ท่านกล่าวว่าอจัตาธรรมะปะิตาธรรม า, ภ า, ธ า, ธรรมาภายในมันก็เป็นอย่างนี้ภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นทางภายนอกภายในเอามาพลนกันก็าอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น้ามันเห็นชัดขึ้นเมื่ อ, อไรไอ้ความเห็นชัดในธรรมะไม่ใช่ว่านั่งอยู่มันเห็นชัดยืนมันเห็นชัดนอนไม่เห็นชัดอะไรก็จังไม่เกี่ยวไปยาบด มันจะยืนอยู่ก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งปรตามจะนอนก็ตามนี่แค่นั้นืทนอท่านจทงว่าทำจิตให้มันสม่ำเสมอกปรติยาบทถ้าปรติยาบทให้มันเสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนเรียกว่าอียาบทไอโพธิมีความรู้สึกควบคุมิยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนถ้ามันยืนอยู่ เมื่อเราสัมผัสกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นคือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีกิ่นกระฉชางมีรถกว่าางมีผดฉาบกว่าตามมีธรรมอารมณ์อะไรกว่าางมันเดิดเราจะยืนอยู่มันก็เห็นอย่างนั้นเราจะนั่งอยู่มันก็เห็นอย่างนั้นเราจะนอนอยู่มันก็เห็นอย่างนั้นมันเห็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นหนึ่งมันเห็นชัดถ้าเห็นจรงทั้งหลายแล้วนี้ การกัดรูดทำมาการรู้เห็นทำมาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงว่ามีเน่บางองก็นั่งบางองก็ยืนบางองก็นอนแค่นั้นการสร้างสตินี่ให้มันมีอยู่เสมอบางองค์ขันจะหันด้ทร์ก็นั้นนะแต่ผมว่าถ้ากำหนดฉันจันทร์ก็ฉันนะกำหนดดีๆเพราะว่ามันเกิดความรู้หลายประการทีเดียวเราเพ่งตรงในอาหารเดวนั่งที่าะ น, านั่งจะฉันจะกำหนดรู้จักทางอาหารที่มันเกิกำหนดนไม่ถูกกับร่างกายเรานี้ด้วย แล้วรู้จักประมาณมันก็รู้จักชัดเจนรู้ซึ่งอาหารก็รู้จักเนี่ยบบกําหนดอาหารรู้แต่ความเป็นจริงนั่นก็เรียก ว, ว่าอาหารนี่มันก็เป็นโทษอันหนึง่งมันก็เป็นประโยชน์อันหนึง่งสําหรับให้คนน่ะมันป่วยไม่สบายเพราะอาหารถ้าเรารู้จักอาหารตามเป็นจริงแนี่เป็นตัวนั่นก็เกิดประโยชน์อือย่างคนเสียท้องเสียไส้อะไรต่างๆไว้อะถ้าเรากําหนด อาหารมันเนี่ยมันจะรู้จักเท่ไอรของนี่มันแถลงเต็มเตมันเข้าไปในปาาา่าเราครั้งแรกแต่เรากำหนดตรงไปไปถึงที่มันมันจะรู้จักทีเดียวแหละมันจะสอหนหอกเนี่ยมันจะรู้จักอย่างนั้นการนำโนดอาหารนี่มันจึงเป็นยานำโนดอาหารนี่เป็นยาเป็นยาอันหนึ่งในินิจพิจาแล้วอย่างนั้นถึงเกิดปัญญาแต่าราดู เรามองดูในบาตรเท่งดูในบาตรอย่างพระพุทธองค์สันว่าลเมื่อฉันมี็นตาบาตให้มองแต่ในบาตให้มองแต่ในบาตอย่ามองดูบาตผู้อื่นเพื่อหวังจะยกโทษอย่าให้มเม็ดข้าวตกลงในบาตรอย่าให้มเมล็ดข้าวตกลงในที่นั้นๆมันจะรู้เห็นหมดกับตารกำหนดลงไปเท้า น, นั้นอะไรมันเสียหายไม่ดีในลักษณะ น, นี้ธรรมนิสติอยู่ท่านนก็มันต้งกุ้มควาวิ น, นัยจะมีมันส้อรู้จัก มีสัณปัญญาอยู่มันกลัวอยู่ท่นน่ะเมื่อสิงทั้งหลายเรานี่มีอยู่กับปัญญาเข้ามาช่วยมันต้องเกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นก็เลยมันสงบระงับไปในตัวของมันนี่การนั่งอยู่กรณีการยืนอยู่กรณีการเดินกรณีการนั่งกรณีการนอนกรณีอิริยาบถทั้งสีนี่มันมีความรู้ชัดอย่างเดียวกันมันสงบเสมอยกง่ายๆคือว่าแมวเรามองเห็นแมวจริงๆเรานั่งอยู่เห็นก็เป็นแมว ถ้าเรายืนขึ้นมองก็เป็นแมวอยู่ถ้าเรานอนมองไปก็เห็นเป็นแมวอยู่ถ้าเราวิ่งไปเราก็เห็นเป็นแมวอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีเปลี่ยนี่เป็นแมวทั้งนั้ น, นอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนแปลงอริยบถนี่มันเสมอมันเห็นอารมณ์นั้นชัดอยู่ไม่แต่ว่า อ, า seconds, อริอรยบทเสมอตอนนั่งนีนมันเสมอยืนยืนนีนมันเสมอนั่งไม่ใช่เวลายอย่างนั้น มันใช่ความรู้สึกมันใช่ความรู้สึกรู้สึกอย่างว่าเรานั่งอยู่แล้วก็เห็นมันเป็นแมวอย่างนี้เรายืานขึ้นก็มีความรู้สึกว่มามันเป็นแมวเรานอนต้องไปเห็นว่ามันเป็นแมวมันเป็นแมวที่เท่านั้นแหละไม่เปลี่ยน Photoshop. แปลงนี่เท่าไหร่อิริยาบทเสมอนั่นคือความรู้สึกอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นแมวยิ่งนไม่เปลี่ยน ไม่ใช่พานั่งอยู่เป็นแมวรูกขึ้นมันเป็นชุนัขเดินไปมันเป็นสุกรอะไรไปยังไม่ใจยังไงมันคงที่มันคือมันชัดอย่างนี้เดี๋ยวอิริยาบทมันเสมอบางคนก็ไปจัดว่ายืนก็ให้การภาวนานั่ยนะยืนไปมันเท่ากันกับนั่งนั่งก็เท่ากันกับนอนนอนก็เท่ากันกับเดินอันนี้ก็ทําได้แต่มันทําได้จุกจามเต็มที่นะถ้าอาโทษถึงความรู้สึก จริงๆแล้วมันจะต้องอินดยาบุตรเสมอกันคือความรู้สึกมันเสมอกันเนี่ยถ้าเรารู้จักอารมณ์ที่มันเสมอกันนะไม่จะไม่ว่ากลางวันไม่จะว่ากลางคืนกระทบอะไรเป็นต้นจิตของเราจะมีหลักอยู่อย่างนั้นมันไม่ซ้าเติมอะไรทั้งหลายทรงนั้นน่ะเรียกว่าเป็นป ก, กติจิตมันเป็นป ก, กติมันเป็นป ก, กติอื Lav. เรียกว่าป ก, กติจิต มันเป็นปกติจิตใ้ความเป็นจริงท่านพี่กล่าวไว้ว่าจิตไม่ก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันจะผิดปกตินั่นก็เพราะว่าเสียงมากระทบกลิ่นมันมากระทบรสมันมากระทบโพชความากระทบนี่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปทำไมเพราะมันหลงอารมณ์ มันห้งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรถมันหลงไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนเองมันเปลี่ยนไปอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามอตามอารมณ์นั้นนี่คือจิตมันไม่รู้จักคือจิตมันประกอบด้วยความโลภความหลงดูเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามนะตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรถสที่เนี่ย ไม่ใช่ว่ารูปมันให้เปลี่ยนไปอความรู้สึกเราเองนะีพาให้เปลี่ยนไปอันนี้เราชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่า ง, งอันนี้ไม่ชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนก็เป็นปกติของมันดังนั้นโลกนี่พระพุทธเจา้ารึงสอนเลยว่าโลวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งถึงอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ก็เหมือนกับโลกโลกก็เหมือนอารมณ์ ถ้าเรารู้อารมณ์เระรู้โรคอันนี้อย่างแกมใสถ้าเราไม่รู้จากอารมณ์เป็นต้นเราก็ไม่รู้โรคกันอย่างแกมใสพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านจึงแปลว่าโล ก, กวิทูผู้รู้แจ้งถึงโลกพระพุทธเจา้าตัณฑ์ทะรู้อยู่ในรูปนี่แหละตัณฑ์ทะรู้อยู่ในรูปนี่ในเสียงนี่ในกลิ่นในรสนี่โภชนาทำมารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าท่านนี้ไปที่ไหนหรอกท่านเห็นนีงมันชัด อารมณ์ทุกอย่างมันก็สม่ำเสมอของมันที่เราว่ามันดีมันชั่วมันสุกมันพุกข์ก็เพราะอความรู้สึกของเราตอนนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เป็นปกติของโลกนี่จิตใจเราไม่ได้โทษอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ได้โทษนอกจากนั้นก็ย้อนมาในตัวของเราเช่นว่าเราเกิดมาแล้วมันแก่มันเก็บมันตายอย่างนี้กันต่อ ถ้าเราไม่รู้จัดก็น้อยใจดีใจเสีย ใ, ใจอะไรทั้งหลายลนั้นนี่ในรูปในานามนีใ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ของเขาเองมาเลยไม่แจกว่าเขาเพิ่งเป็นเดียวนี้เรามาพบในเวลานี้ก็รู้เหมือนว่ามันเป็นอย่างนี้อืโลกเขาเป็นมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาเป็นเียงอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่น ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็เพราะจิตของเราเนี่เองใบหมายมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันจึงเกิดความดีใจขึ้นมันจะเกิดความเสียใจขึ้นเท่านั้นด้นนี้มันก็ไม่มีอะไรใที่เราปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องหมายอันนี้มันซึ่งมันลึกที่เราปฏิบัติกันตรงวันนี้ก็ให้รู้จักในขอบเขตของเรา ที่เรามาปฏิบัตินี้มันอยากจะได้ตามปรารนถนาของเราทุกประการนะมันก็ไม่ได้เพราะมันจป็นอย่างนั้นเรานี่รียว่าการปฏิบัติอืให้เห็นชัดเจนอยากจะเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นก็เห็นตัวของเราจะยืนให้มีสติจะนั่งให้มีสติจะนอนให้มีสติพูดไปที่ไหนก็ไม่ไปทันก็ยับอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันมันเป็นรากฐานอยู่ตรงนี้ อย่างที่ผมเคยพูดว่าอ่าออยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็อยู่มันอยู่คนคนเดียวแล้วจะมองในง่ายๆแต่มันรักคนนี้นี่มันก็เริ่มจะผิดแล้ ว, ลวในใจเราเรารู้มันดีมันเกลียดคนนัน้นนี่เราก็รู้แหละมันเริ่มจะผิดแล้วนี่ย เราว่าสาาสอนว่าไม่รักใครไม่ได้เกลียดใครมันจะเกลียดนั่นมันจะรักใจมันเป็นอาการเท่านั้นมันอยู่นอกใจของเราไม่อยู่ในใจของเราอย่โงนี้พูดยางใจมันก็เป็นยางนี้ดังนั้นพระพุทธ เ, เจ้าตรัสจริงตรัสว่าโลกโลโกคือโลกอาโลโก มันสว่างอยู่ทั้งกลางวันกลางคื น, นทำของเบอรอพุทธเจ้าอาการของทำหนาย ท, าทั้งทำทั้งหลายนี่มันเป็นมันเป็นอาการอยู่สว่างสวายอยู่ตลอดเวลาแต่เราบางทีเราเปิดพุกใจบางทีเราสุกใจบางทีเราเดีใจบางทีเราเปิดเชื่อใจไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งใดแล้วนะั่น ม, มันเป็นเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเร์พุทธเจ้าจะโอปนาอโกให้นอ้อมเข้ามาเอี่ยนอบออกไป ให้น้อมกลมาน้อมกลมาน้อมกลมานใ่ตัวของเราเพื่อจะเห็นชัดๆมันมีรากฐานพยานอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ปฏิบัติใหม่ๆพูดอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักมันจะรู้จักเมื่อไรรู้จักเมื่อเราปฏิบัติไปนั่นแหละเพราะสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดจากการปฏิบัติที่วันนี้แต่ว่าการพูดกันมันเป็นอย่างหนึ่งการพูดเราไม่ได้ยินเสียงมาถึงหูเรา เมื่อถึงหูมาถึงใจปิจรารณาอเอาไปพินิรณาเดี๋ยวไปปฏิบัติอย่างเนี้ไม่ใช่ค่อยๆเกิดขึ้นคนมีปัญญามากมันก็เกิดเป็นเร็วคนมีปัญญาน้อยมันก็เกิดช้าไม่มีปัญญาเลยมันก็ไม่เกิดมันเป็นไรอย่างนั้นการ น, นั่งสมาธิไปอย่าไปว่าอะไรมันเลยอืการ น, นั่งสมาธิ สมาธิคือความตั้งใจมัน่นจะถอนกลับมาหรือกลับมาสมาธิคือความตั้งใจมัน่นถ้าเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่งนี่มันเป็นสมาธิส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นผลมันคือมันเป็นดอก ม, มันเป็นดอก ออกจากดอกมันก็เป็นผลมันก็เป็นผลเล็กมันก็เป็นผลใหญ่เรื่อยๆของมันไปนะสิ่งที่ปัจจัยนิสัยของผลนี้มันเหมือนกั น, นสิ่งที่มันฝังใ น, นเรายังไม่เห็นมันไอ้เช่นผลมะม่วงเม็ดมะม่วงเม็ดขนุนเนี่ยเราไม่รู้จักมันนะอวันนี้เราได้ฉันขนุนเอวยองขนุนมาฉันนะหยิบเม็ดมันขึ้นมา อนนันนั้นคือเราแบกต้นขนุนอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักอเอามะม่วงขึ้นมาฉาันสักใบหนึ่งหยิบเม็ดมันขึ้นมาอันนั้นคือระแบกบแบกบต้นมะม่วงอยู่ทางต้นเราไม่ดูเรื่องของเรานะเอาเม็ดถัวเรียนจับขึ้นมาฉันนั่นคือระแบกบต้นถัวเรียนอยู่ทางต้น แ, แต่ตราไม่รู้จักมันไงจ้ะหยิบ เม็ดถนนขึ้นมาอะไรหยิบต้นถนนต่าต้นขึ้นมาแต่เวลานั้นมันยังไม่เห็นเราจะเอาไปทุกข์ดูมันก็ไม่เห็นต้นมาคือมันละเอียดมันจุนเป็นจุนมีจุนที่ละเอียดละเอียดตรงไห น, นบาดแบบต้นมันอยู่ตรงไหนใบอีู่ตรงไหนดอกมันอยู่ตรงไหนกิ่งผี่ตรงไหนใบมันจะไม่ได้ไม่เห็นถ้ามาเห็นเราก็รู้สึกว่าไม่มีต้นไม้อย่างนี้แต่ไม่คือมันไม่ถูกส่วนของมันดิบ ถ้าเราเอาเม็ดมันไปฝังไว้ในดินดินอ่มันจะงอกขึ้นมาเกิดี่ยมันจะต้นเกิดเกิดขึ้นมานี่นใบก็จะเกิดขึ้นมากิ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาต่อไปมันโตขึ้นดอกมันจะเกิดขึ้นมาใบจะเกิดขึ้นมาผลเน็กมันจะเกิดขึ้นมาผลโตมันจะเกิดขึ้นมาอผลที่มันสุกสุกมันจะเกิดขึ้นมาในนั้น แต่ว่าเมื่อมันยังเป็นมาเล็ดอยู่เช่นนี้เราชี้มันไม่ถูกอย่างนั่นคนทิ้งไม่สนใจความเป็นจริงค่านักปฏิบัติเราหยิบมาม่วงขึ้นมาสะลุถึงในคือระแ บ, บีกตัวมะม่วงเลยนะถ้าเรารู้จักอย่างนี้มันจะสบายดีเมื่อเกิดพบขึ้นมามตายแล้วนี่ยังเราหยิบเม็ดขนุนขึ้นมาฉันมะม่วงขึ้นมาฉันก็ไม่เห็น ใอะไรมันบางอยู่ไอ้รสหวานมันรสมันมันรสเปรี้ยวมันเรามีมองไปถึงต้นมะม่วงอยู่ในนี้มองไปถึงไอ้อันนี้มันหวานดีนะอันนี้มันอร่อยเท่านั้นะกันไว้ทิ้งทั้งหลายนี่มันกันไม่ไม่เห็นต้นมะม่วงในเม็ดมะม่วงไม่เห็นต้นขนุนในเม็ดขนุ่เนี่ยเรานี่กืมันกันแข็นั้นเราทับอยู่นี่นั่งทับอยู่ถึงธรรมะนอนก็ทับถึงธรรมะ เดินไปปว่าเหยียบธรรมะทุกข้ามแต่เราไม่รู้ว่าเราเหยียบธรรมะหรือเรียกว่ า, วาเก็บบันเทิงธรรมะทมี่ไหนที่ไห น, ไหนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราจับเม็ดมะม่วงขึ้นมาเราต้นมะม่วงที่ไหนเห็นโน้นต้นใหญ่ใไหนความเป็นต้นจะนเน่เราหยิบอยู่นี้ไม่เห็นใช่ไมเนี่ยไม่ได้ไม่สมรุ่นของมันมาบวชนะมันไม่ถูกจุดมันครับมันไม่ถูกจุดนักบวชมุ่งอะไร มุ่งลาบตะการะหรือมุ่งยศหรือมุ่งสันเสริญหรือมุ่งอะไรมากมุ่งวัตถุหรือครับอืนักบวชพขาพุทธเจ้ามาสอนมุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอืไม่ให้มุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครับไม่ให้มุ่งนะอืถ้ามุ่งความสุขมุ่งความสนุกมุ่งการอยู่ดีมุ่งการกินดีมุ่งวัตถุอะไรก็ไม่ต้องบวชเนี่ยมันโกหกพกลมเขา จะหากินตามสบายก็เป็นคาราวะานะครับไม่ต้องมาอดหลับอดนอนก็ไม่ต้องมาฉันข้าวมือเดียวไม่ต้องมาอยู่ปลาครับดีกว่าอย่างโยมนะ่ะเขานั่ ง, ง อ, นะอย่างเนี่ยคุณหมอน่ะอืยังไม่ปวดก็สบายอยู่สบายหากินตามชอบใจแล้วมันก็สบายนี่ดียกว่านักคาราวะก็เกิดมีประโยชน์นะเห็นว่าไอ้คาราวะาเขาเน่ะเป็นคาราวาะนะ เขาอยู่ในกาบ ม, มีครอบมีครัวมีเงินมีทองหัวใหญ่นะจะนึกเห็นเขาว่าเออไอเขานั่นเน่ยไม่ใช่เราไม่ใช่นักบวชบางทีเขาไปก่อนเรานะบางทีก็ไปก่อนเ้าครับทําไมถึงไปก่อนเราเขาคุกทีอยู่เลยครอบครัวเขานะเป็นทุกข์เพราะผัวบางเป็นทุกข์เพราะเมียบงังเป็นทุกข์เพราะลูกบงังเป็นทุกข์เพราะอะไรกนะ็ได้อย่างพรเดียวเขาเห็นโทษเนี่ยครับเขาทิ้งไปก็ได้ ก็ทิ้งไปก็ได้ครับนี่อืเขาทําเองมันเห็นโทษมันนี่ครับบางทีมันเป็นทุกข์มันเห็นโทษเมื่อเขาเห็นโทษอย่างแจมแจ้งแล้วก็ทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เท่านั้นเนี้ยเมื่อเห็นโทษมากในสิ่งทั้งหลายเขาก็ละโทษอันนั้นละแล้วเขาก็เกิดประโยชน์ในสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็กลำลังทำําำเขาๆ น, นี่นี่เดียววะเขาเขาประเชิญอยู่ทุกวัน เรานี break, mm ่ม hmm. no no, no no no no right, ันไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดมีเตี่ยความคิดเอานึกเอาจะเป็นอย่างนั้นนะอย่เป็นอย่างนี้นะไม่อิ่มเลยครับไม่มีอิ่มเนี่ยนึกไปมันดีไปทางนั้นเนี่ยอะไรมันก็ดีดีดีทางนั้นกัไม่เห็นโทษมันครับไม่เคยเห็นโทษไม่เคยเห็นโทษอืเห็นเขาทํานาด้วยก็อยากจะทำก็ครับเห็นเขาทำไร่มากมาก็อยากจะทำไร่มันไม่เห็นโทษครับ ไอคนที่เขาทานาเดี๋ยวก็พยายามทําทุกปีทุกเดือนทําไร่เขาก็ทำทุกปีทุกเรือนนั่นนะเขาก็เห็นโทษไหมมันยากมันลาบากเนี่ยก็คนนี้จากการทําไร่ทํานาจะได้เราไปคิดเอาเฉยๆเท่านั้นน่ะคิดแต่ทํานาเฉยๆแหมก็เลยเข่ามากนะ mm hmm. ทำไร่ไเนะนะนะนะเี่ยข้าวโพดเนี่มากเงินมากเนีมันสบายนี่คิดนี่คิดเฉยๆอะไรมันก็สบายมันสบายเท่านั้นเมื่อสบายก็ได้ไม่เห็นโทษมันครับ ไม่ได้ติดอยู่เน้นนะนี่เรียกว่ามัน เ, เ, เรื่องจิตใจมันคิดติดอยู่กับความคิดอนุมานเราทุกอย่าง น, นะครับอันนี้อนุมานทุกอยา่างเท่านั้นนะ่ะมันไม่ได้ถนัดครับในพวกยาโยมก็ทําในความถนัดนะ เ, เขาจะกินเหล้าเขาก็จินมันถนัดกินจนมันรู้จักโทษ ม, มันเยอะมันก็ทิ้งมันก็ได้เราเนี่ยนึกอยากจะกินเหล้าเฉยเฉยแหมมันจะเป็นยังไงนะดียังไงไนะ เลยไม่มีเมาสะกีเลยไม่ได้โทษมันจะกีเลยกินอยู่เรื่อยรูออ้กด็ดีเสียงกด็ดีกลิ่นก็ดีเลยกานึกเฉยเฉยมันเลยไม่อิ่มครับไม่อิ่มไม่จับนี่มันเป็นแต่อย่างนี้นที่นี่นักบวชของเราเนะ่ยมันเป็นมันเป็นหัวหน้าคนมันเป็นบุคคลที่สอนคนบุคคลที่สอนคนก็ต้องทําตัวให้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสอนคนเราจะต้องทําให้มันดีให้มันถูกต้อง มันก็เปลี่ยนอย่างนี้ตามความจริงมันนะเนี่อันนี้พอเราท่าไหนมันบวชค่องมากครับจะก็อยู่ไปเจอๆเรื่อยไปอย่างที่เขาเคยเขาเคยมาเล่าผมฟังไอ้พโยมมาเล่าให้ฟังกว่าพระครูอะไรก็ไม่รู้เข้าไปบ้านเขาอยากได้อะไรพอเข้าไปบ้านนะท่านพระครูบวชมา น, นี้ได้อะไรบ้างอือัตมาก็ได้สมควรเหมือนกันเนี่ย รูป ก, ก็ได้เสียงก็ได้กลนก็ได้รถก็ได้คืออยากจะดูก็ดูมันไดไม่อยากจะดูมันก็ได้อยากจะเอามันก็ได้อยากจะทิ้งมันก็ได้อาจมาได้แล้วรูปเสียงกลิ่นรถโรภชนาภัพอาจมายังไม่ได้ตั้งแต่วัตถุวัตถุคืออะไรเงินเขาหวอดกันมาปีสองปีเขารวยเงินกันเป็นสามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนอาจมายังไม่เคยได้เลยได้เท่าหมืน่นสองหมืน่นท่านั้นก็เสียไป ยังไปจูกใจเลยโนดไปหาวัตถุอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจิตของเจ้าของนั้นนะ่ะพูดเช่นนี้คนาอ้ายโยบนะนี่ไปเสพหาอย่างนั้นนึกถ้าเรายังไยังวัตถุไม่พอก็ไปแย่งอขอค้าเขาเท่านั้นคิดไปคิดมาเราื่องชื้อรถยนต์อื่อรถยนต์ก็ซื้อยามาขายชายหนังเท่านั้นเนี่ยหาเครื่องไฟมาเท่านั้นแหละ ออกโฆษณาเท่านั้นเนี่ไม่มีใครจะว่ากันครับใครมันก็ถึงกันแล้วในทุกวันก็ยังมีเลยทําอะไรอะไรก็ไม่มีใครว่าเลยทํานาเลยครับอืทํำดวงนาใหญ่ๆเอาทางหมดวัดจะไปทํานากันเป็นกลุ่มเลยก็ไม่มีใครว่าเลยนี่แล้วมันจะไปได้อย่างไงพวกเราทาานะั้งหลายนะะแล้วผมเม็นโยมคนหนึ่ง ก็ไปฟังธรรมเขาว่าฟังธรรมในมาเทศในโยมฟังเอ้ยอามนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่มีศีลห้ามันอามนุษย์ทั้งนั้นเขาบ่าโอ้ผมนั่งฟังแม่มันพูดแรงเกินไปไหมอาพระจะไม่มีไหมเนาะแล้วผมมองคนในโลกทุกวันมันหาพระเยอะแต่เขาไม่เทศว่าหาพระว่าจะหามนุษย์มันอยู่ในใจของคนครับทุกวันนี้ มิฉนั้นที่เรามาตกลงกันวันนี้็เรดีย้วาทำความเข้าใจกันแล้วตั้งใจครับให้มันสมบูรณ์เถอะสมบูรณ์ก็มีหวานเนี่ยนี่มีหวานนี่มีมันมีหอมเทียบง่ายๆกับหวานมันคือศีลเนะมันมันคือสมาธิเนี่ยหอมก็คือตัวปัญญาเนี่ย นี่เราเสถียรหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ครับพยายามทำให้มันมีขึ้นอันนี้คือมันไม่ถูกจุดมันครับถ้าถูกจุดเน่ยผมเคยนึกในใจผมมาเออปฏิบัติเนี่ยถ้าคนมันยอมรับปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับผม ม, มันมีอุปนิสัยไม่นานครับไม่นานในปฏิบัติไม่นานครับในครั้งพุทธเจ้าสักสอนมาผู้เจริญสติปัฏฐานทังสี่นี่ครับอย่างเข้มแข็งนี่ อย่างเร็วก็เกียรติวันบรรู้ธรรมะอย่างน้อยก็โสดาบันบุคคลแล้วครับนี่นี่ปฏิบัติไปอย่างกลางครับเกียเดือนเท่านั้นเนี่ยครับบรรู้ธรรมะได้เนี่อย่างมากที่สุดไม่เกินเกียปีครับจะต้องสําเร็จโสดาติิคานาคาพระอรหันต์เรียบร้อยอย่างนานเกียปีนี่ครับไอ้พวกเราบวชกันมาโอย เจ็ดสิบปีหนึ่งมีฟาดไปเจ็ดปีเลยแปดสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบปีเลยค่ะ ม, มาเลี้ยงหมูกันเท่านั้นเนี่ยมาเลี้ยงไก่กันเท่านั้นแหละมาค้าขายกันเท่านั้นมันจะเห็นอะไรครับอย่างนี้อวันนี้ผมพูดนะวันนี้นะพูดให้ฟังนะที่มานี่ยผมไม่เคยได้พูดให้ฟังหรอกอย่างเงี้ยอืวันนี้เนีกว่ายอมรับกันเถอผมพูดให้ฟังนีครับ นะบ้านมันอยู่ทิศเหนือเราไปทิศใต้มันจะถูกบ้านเมื่อไรแล้วก็คิดดูง่ายๆก็ไม่ยากแล้วนี่นถ้ากว่าท่านคําเพ็นสินก็งมาทำสินให้มันดลีลองดูดีครับทำปณิยั้ถูกต้องดีครับแล้วพยายามทำสมาธนะิมันก็จะเกิดปัญญาไม่ช้ามันก็เร็วครับตามบุปนิสัยของคนเรามันเป็นของยากก็จริง แต่ว่าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทําได้พระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างนั้นถ้าหากว่าธรรมะอันใดมันเหลือวิสัยมนุษย์แล้วอบพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสั่งสอนเลยหรอกขั้นทรงสั่งสอนสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระพุทธองค์ถึงโง่เท่านั้นแหละไม่มีปัญญาแล้วไอ้ของที่ไม่เกิดประโยชน์ครับท่านจะสอนไว้ทําไมมันไม่มีประโยชน์ท่านเกิดมาสร้างประโยชน์เดินไปไายเป็นประโยชน์ อยู่ก็เป็นประโยชน์ไปก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านก็เป็นประโยชน์พบนี้ก็เป็นประโยชน์พบหน้าก็เป็นประโยชน์สิ่งที่คนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นประโยชน์อะไรมันไม่เป็นประโยชน์หรอกครับคํ <c ười> านั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องสอนท่านไม่สอนนะครับธรรมะสิ่งที่ท่านสอนไม่นี่เป็นทางการตรูธ้ธรรมนี่ครับมันพอเหมาะสมควรกับผู้มีศรัทธา <c ười> ผมเห็นว่ามันไม่ค่อยจะยากครับไม่ค่อยเคร่งอะไรแร้ว แต่คนเรามันบัดเคพ่งเนะ่ยเออพรวินัยพระวินัยทําอย่างนั้นแหมมันเคร่งเกินไปเ อ, อ้ยคำสอนของต่อพุทธเจ้านะครับไม่มีเคร่งมีหย่อนหรอกมันพอดีทั้งนั้นเลยแต่เราเป็นต้นปัญญามันน้อยกิเลมันดายตามใจเจ้าของก็เรียกว่ามันเคร่งไปเ อ, อ้ความจริงๆมันไม่เคร่งหรอกครับมันแบบเองมันไม่เคร่ ง, ม, ม, ม, รงมันไม่นกักอืม ที่มันามาเป็นเคร่งคือคนไม่ชอบแต่ทําอย่างนั้นไม่ชอบจะทิ้งตัวจะของไม่ชอบจะละจะของแค่นั้นแหละไม่ยอมรับธรรมะจึงเป็นของยุ่งยากลําบากอืมครับพ่อใจถ้าเนรบวชมาโอ้ยจะไปทำตา ม, ตามพระธรรมพระวินัยไม่ได้กินหรอกองยิ่งมันเหลือกินเลยครับ ม, มันเหลือกินไม่ใช่พอกินมันเดือครับนี่อย่างไรก็ตามเถอะครับ อีวอนก็ดีบินทบาทก็ดีเสนาชนะก็ดีเพสัตชก็ดีนั่นพวกเราทางหลานนี่จะไปน้อยใจว่ามันจะอดครับแต่ว่าเรามาทำให้มันถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับเมื่อในฉันเนี่ย ว, วันนี้ไม่ต้องเก็บไว้ครับให้คนอื่นไป